ขอความเจริญในธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพธิยานได้นำเสนอวิทยะบา ร, รมีมาตามลำดับแต่เพื่อต้องการให้ท่านผู้ฟังเห็นในยะของความเพียรที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยชื่อต่างๆมีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไป แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือป้องกันความชั่วขจัดความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีแล้วว่าจะกล่าวโดยปริยายอะไรก็ตามก็จะอยู่ในแนวตรงนั้นมันมีความเพียนประการหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันคือไม่ได้ินบ่อยนักนะครับคําว่าถามมาหรือถามโม มีกำลังภายนอกและกำลังภายในเข้มแข็งเกิดเน้นไปที่การแสดงให้เห็นเรื่องกำลังกายกำลังใจกำลังกายก็คือเรียวแรงในการที่จะปฏิบัติภารกิจการงานแม้จะเหนื่อยยากลําบากยังไงก็ตามใม้สาเร็จดูล่วงไปได้ดยดีซึ่งก็ต้องอาศัยกำลังกายมากเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันกำลังใจ อาจจะหมายถึงระดับขวัญกำลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรืออาจจะหมายถึงพลังจิตที่มีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ยั่วยวนให้เขวออกไปนอกทางก็นี้พึ่งสังเกตว่าบนเส้นทางของความเพียรพยายาม มันก็มีคนเพียรพยายามกันเยอะแต่ว่าประสบความสำเร็จจริงๆน่จะมีน้อยภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือภาพการวิ่งแข่งมาราธอนบางครั้งบางคราวอย่างคราวเปิดสะพานแขวนสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติณสตรละนุนเนี่ยก็มีคนวิ่งกันเป็นมืดๆ น, น, นะฮะ แต่เราเห็นว่าในที่สุดมันก็ลดลงลดลงลดลงไปเลยจะถึงจุดหมายปลายทางคือชนะเลิศอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเองเพราะบนเส้นทางของความเพียพยายามก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าแต่ความเข้มแข็งซึ่งมีอยู่ระดับหนึ่งไม่ไว่าจะเป็นกบังกายหรือกบังใจก็ตามพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถ้าโดนแรงประทะเข้า โดยเพราะจุดที่หักเหมากที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่ถูกยั่ว ย, ยวนถูกลอดด่อโดยผลประโยชน์ทั้งหลายหรือว่าถูกยั่ว ย, ยุด้วยการท้าทายสุ ป, ประมาดูถูกดุหมิน่ในให้เกิดอาการขัดเคืองและส่วนมากคนก็มักจะตายในเรื่องเหล่านี้ เพื่อสังเกตว่าพระเจ้าจะมีคำที่ซ้ำๆๆๆกันอยู่ในที่างต่างๆเรียกว่ายินดียินร้ายอารมณ์ที่น่ายินดีเรียกว่าอิทถารม์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเรียกว่าอานิธารมณ์แต่การจะเป็นอารมณ์อะไรนั้นที่จริงมันอยู่ที่ใจเรากําหนดเอาแต่ก็เรียกรวมๆไปอย่างนั้นเองคนตัวใจเป็นผู้กําหนดอารมณ์ในี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ กรณีท่านเล่าไว้ในชาดกถึงพระราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีคือพระโพธิสัตว์ของเราเนั้นเกิดเป็นพระรโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแต่ว่าเป็นพระอนุชาองค์เล็กมีประเชษฐาพาดาประเชษฐาปกิริย์อยู่ข้างบนเยอะเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถือกันตามลําดับ ก่อนหลังคือพี่พี่ชายพี่ชายจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนแต่หนตำนายบอกว่าพระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าไม่ใช่ครองพาราณสีแต่จะครองมิถิลาซึ่งเวลานี้ก็อยู่ทางด้านปากีสถาน น, นนะครับก็ตกลงว่าให้พระเจกุมารเนี่ยไปรับสมบัติรับราชสมบัติที่เมืองมิถิลา พอดีอมาตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันกับราชุมานห้าคนก็โดยเสด็จไปด้วยราชุบมานเองนั้นรู้อัตยาศัยของเพื่อนดีว่ามันมีจุดอ่อนแล้วถ้าใครไปจับจุดอ่อนได้แล้วก็กนั่นก็คือความพ่ายแพ้และจะทำให้งานใหญ่มันเสียหายลงไปด้วยคือคนหนึ่งในรูปสวยๆไม่ได้ คนหนึ่งถูกล่อ ด, ด้วยเสียงขับกรอมเสียงผู้เสียงเชิญชวนชักชวนพิรีพิไรไม่ได้คนหนึ่งจะออนไหวกับกลิ่นที่หอมหอมมีการปรนปลือ ด, ด้วยกลิ่นหอมหอมในไม่ได้คนหนึ่งจะพอใจติดใจในรสชาติของอาหารและรสชาติของกามคุณคนหนึ่งพอใจติดใจในเรื่องสัมผัสที่น่าจับน่าต้องตามความรู้สึกของเขาเองนะฮะ แต่ว่าพระบรมศาสดาทุ่งติงคือต่างข้อสังเกตว่าคุณเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณก็มีจุดอ่อนในคนละจุดแล้วก็ต่างคนต่างก็รู้กันแต่ถ้าไปก็ต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าให้สติตับเตือนกันเนี่ยต้องเชื่อกันแล้วคุณเองจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ยั่วยวนระหว่างทางก็เป็นอนุตตรตกลงกันนะคร คือสัญญาในที่จริงทําง่ายนะฮะแต่การปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยทายากเพราะทําสัญญาระยะมันสั้นแต่ว่าปฏิบัติตามสัญญามันจะระยะมันยาวก็เหมือนกับอาสาพัฒนาปลูกป่านะครับคือปลูกป่าเนี่ยไม่ง่ายนะครับปลูกวันเดียวก็ได้แต่ว่าการรักษาป่าเนี่ยจะยากแม้แต่การดูแลเอาป่าที่ปลูกเอาไวใ้ให้มันจะต้นไม้เจริญเติบโ ต, ตไปได้ตลอดรอบฟังเนี่ยกลายเป็นเรื่องยาก ก็ต้องใช้เวลานานนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติในเส้นทางที่จะเดินผ่านนั้นท่านเล่าว่ามียักษินีสิงสถิตยอยู่พวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วก็เนรมิตรเรื่องบางเรื่องขึ้นมาได้เธอก็ในชั้นแรกก็เอารูปมาลอกก่อน เดินผ่านไปบนเส้นทางสายนั้นเจอผู้หญิงสาวสวยๆออกมาเชิญชวนรูปร่างสวดทรงสันฐานหน้าตาไวแตกต่างกันหมดพวกนี้ใช้แนวเดียวกันเนี่ยคือถ้าเราไปศึกษาตอนที่นางตนาาคารตีมายุ่ยๆนะพุทธเจ้าก็ใช้แนวเนี่ยคือมีความหลากหลายในความเป็นผู้หญิงไวแตกต่างกัน ร, รูปร่างแตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกาันชวดทรงแตกต่างกันวิธีการต่างๆที่จะ นมนาวพระไทยของพระพุทธเจ้าไว้อ่อนไหวนั่นก็แตกจากกันแต่นั่นคือพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพอไปเจอภาพรูปสวยๆเข้าคนที่จุดอ่อนเรื่องรูปเนี่ยไปเลยห้ามปรามยังไงก็ไม่อยู่ทวงสัญญาก็ไม่ยอมรับฟังและหน้ามืดแล้วก็เข้าไปในที่นั้นก็ตกเป็นอาหารของยักษกินีไปตกลงว่าเปลี่ยนวิธีดับใหม่ มีการเสียงไพเราะเสียงดนตรีเสียงเชิญชวนซักชวนเสียงพิรีพิไรรำพันห้อมล้อมคนเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เหลือห้าคนแล้วคนที่เพลิดเพลินสยบติดในเสียงก็พ่ายแพ้แล้วก็ตกเป็นเหดือยยากินีไปยากินีชุดนั้นแหละก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุทยานที่มีความสวยงามลอดด้วยกลิ่นโชยมาสารพัดกลิ่น แต่ว่านาสุดรมทั้งนั้นคนที่ติดกลิ่นก็พ่ายแพ้ในที่สุดแต่ก็เสร็จแล้วมันก็เดินทางมาไกลแล้วอย่างเดือสามคนแล้วนะวันนี้คนล่อดโดยอาหารที่อร่อยแล้วก็เชิญชวนชักชวนบริการฟรีกันเลยสองคนไม่ยอะพระโพธิสัตว์กับสหายคนหนึ่งไม่ยอมไมายอมรับประทานอาหารเหล่านั้นเพื่อนอีกคนนึงก็ตกเป็นเหยื่อ ก็นในที่สุดเขาก็ล่อโ ด, ดยการพักผ่อนสถานที่พักผ่อนเชิญชวนจากชุชมก็เดินทางไกลแล้วนะเดินทางมาไกลแล้วมันก็ล่อโ ด, ดยการพักผ่อนหลับนอนเชิญชวนโดวยวิธีการต่างๆ่า ง, างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องการจะพักผ่อนเนี่ยและในสุดเพื่อนที่เหลืออยู่คนหนึ่งก็ตกเป็นเหยื่ออยากกินนี่พระโพธิสัตว์เดินทางไปสู่กรุงมิถิลาตามลําพัง ยักินีเป็นหัวหน้าเลยเปลี่ยนวิธีแล้วธิรามิดกลายเป็นสาวสวยทํานองว่าเป็นพัญญาของพระโพธิสัตว์ก็ตามตื้อตลอดทางเลยเรียกร้องคนทั้งหลายเป็นสักีพยานสามีหนูหนีมาได้ตั้งว่าไปเร่ยแกย่พสาะาสกาเดิมไม่เฉยเฉยไม่ได้ใส่ใจสนใจจนถึงในที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าไปถึงบริเวณประตูเมืองไมมิทิลาเนี่ยมันมีศาลาที่พัก มีคนอยู่ในนั้นเยอะประวัติศาสตร์ก็ขึ้นไปข้างบนเสียใหญ่นี้ก็ตะโกนเรียกให้ลงมาแล้วก็เรียกร้องบอกประกาศสถานะตัวเองเป็นพันยาของบริษัทบริษัทก็ปฏิเสธนะครไม่ยอมรับแต่ว่าคนที่นั้นน่ยจิตใจอ่อนไหวแล้วเพราะมันสวยว่าทําไมไม่ยอมรับผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ทําไมไม่ยอมรับพระเจ้ากรุงมิถิลาเนี่ยออกมาพอดี มาเจอเข้าพระโพธิสัตว์ไม่รับท่านก็รับเข้าวังใช่เองเลยต้องการจะเอาไปเป็นสนมตกนางยักษินีก็ล่อลอกด้วยวิธีการต่างๆจนเคลิบเครื้มไปตกกลางคืนมันก็ให้สัญญาณบริวารมันบุกเข้าเมืองบุกขันในวังกินคนซะเยอะคนทั้งหลายที่เห็นเหตการตอนพระโพธิสัตว์ไม่ยอมอ่อนไหวไปตามอานาจของนางยักษินีเนี่ยมันก็นึกว่าเออ คนสองคนในนิจัยต่างกันราชาอยู่ท่ามกลางสนุ่งกันนันในเยอะแยะแต่ยังอ่อนไหวแต่โพิยศเป็นเด็กหนุ่มแท้ๆแต่ยังไม่อ่อนไหวไปกับเพศตรงกันข้ามเช่นนี้แล้วะราชาก็ที่บงคตไปแล้วโรเอสีก็ที่บงคตไปแล้วแต่ว่าราชกิดายัางอยู่นะฮะก็ในที่สุดก็เชิญราชากุมารเนี่ยขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงมิถิลาแล้วก็ มอบหมายราชติดาของพระเจ้ากรุงมิติลาองค์ก็เนี่ยนะให้เป็นราชนีอ้นี้เป็นเป็นเป็นการสอนในเห็นบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรความสําเร็จไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่อุปสรรคอันตราย น, นั้นจะเกิดบนเส้นทางปัญหาว่าอ่อนไหวไหมอ่อนแอไหมเข้มแข็งพอไหมกําลังกายเป็นอย่างไงกําลังใจในี่สำคัญที่สุดนะคร กายอาจจะอ่อนแอไปบ้างแต่ว่าถ้าใจยังเข้มแข็งแล้วก็ไปได้ตรงนี้ท่านเรียกว่าถามะเป็นเน้นถึงตัวพลังที่สร้างสรร์แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต้านทานกระแสอารมณ์กระแสกิเลสซึ่งปรากฏมาในรูปรูปย้อยยๆอยว ย, ว, ย, ว, ยวน การต่อไปเราไม่ค่อยเจอบางกันคํเนี้บางทีนี่ใช้เป็นขันติก็มีนะใช้เป็นปัญญาก็มีใช้เป็นความเพียรก็มีคนที่ศึกษานะคําชนตรีนะเราจะเห็นว่าในคารวัตธรรมเนี่ยในพระบา ล, ลีเรียกว่าสั จ, จังธมโมทิจิจาโคทิติตรงนี้หมายถึงขันติแต่บางทีเนี่ยหมายถึงปัญญา คำวิธีเนี่ยอาจจะหมายถึงปัญญาในที่นี้หมายถึงความเพียรหมายถึงความเพียรอย่างฉลาดนะครความเพียรอย่างฉลาดเหมือนอดทนอย่างฉลาดแต่ไม่ใช่อดทนเรื่อยไปมันอดทนเรื่องอะไรทําไมยังต้องอดทนถ้าไมอดทนเราจะไปยังไงถ้าอดทนเราจะดียังไงไม่ต้องแยกให้ออกตรงนี้หมายถึงว่ามีความเพียรพยายามที่จะดํารงตนอยู่ใน หลักของศีลสมาธิปัญญาคือการรักษาศีลถระยะไม่ยาวเนี่ยมันไม่ค่อยลําบากอะไรแต่ถ้าเรารักษาระยะยาวๆมันก็มีปัญหาเหมือนกันยิ่งสมาธิอย่างเงี้ยเราจะคุมสมาธิให้ยาวอยู่ได้เนี่ยจะคุมยากถ้าต้องการคุมไม่ได้จริงๆตง้องหนีเข้าป่าเลยอยู่ในถ้าในเขาเนี่ยมันก็คุมได้นัานๆแต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราจะคุมยาก พรว่าเรื่องมันเยอะคนจะนําเรื่องมาให้เนี่ยมากอกวดมาวุ่นวายดิเยอะแยะไปหมดพระองค์กรส่งเราปัจจุบันเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นลักษณะ ส, สังคมสงเคราะห์ซึ่งบางทีก็สงเคราะห์เกินตําแหน่งหน้าที่ไปนะจนยุคสมัยที่เด็กจะสอบข้าเรียนโอ้ปวดเลยขอาฝากเด็กนี่เรียกว่าปวดเลย่ะ แกไม่ตกไม่รู้จะไหวอย่างไงอธิบายชี้แจงไปเถอะไม่มีฟังรู้เรื่องหรอกนี่คือคืองานเหล่านี้แล้วก็ก็จะสงบได้ยากคือพระเองเนี่ยที่จริงต้องการรักษาความยุติธรรมเพราะาเด็กเหล่านั้นก็คือจริงก็คือลูกหลานเราก็ฝากคนหนึ่งก็แสดงว่าเป็นการรัดเอาเปรียบพวกหลานนี่คนหนึ่ง ก็ที่จริงก็ควรยหยเด็กก็ต่อสู้กันเองเราก็อยู่ข้างนอกแต่นั่นคือสังคมนะถ้ารู้ผมก็พูดยากเพราะการดำรงตนมั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวานก่อนวันที่ไปเผาศพหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลสมาธิคุณเนี่ยทวัตจมุลดีพระครูอยู่ที่วัดราชสิทธิ์ก็เป็นลูกศิษย์ เ็ยสอนหนังสือก็ตอนเขาเรียนาศาสนาศาสตร์บัณฑิตก็ไม่ได้พบกันนานนะแต่ว่านั้นพระมามากอยู่ทุกจุดทุกมุมแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามคือแต่ละรูปก็เรียบร้อยแกก็บอกว่าอาจารย์สังเกตไหมว่า น, านานเนี่ยพระจะมาประชุมกันสักทีเราก็ไม่เห็นความสวยงามของพระไี่เรียกว่าสังกโสรพโนนะ คือความสวยงามของหมูขนาดเนี่ยแต่พอปรากฏตนในที่สาธารณะลัษณะอย่างนี้แต่ลงก็อยู่ในระเบียบวิ น, นัยมันก็มีบางองค์ก็แหลมาบ้างนะเพระว่าวางวัดเนี่ยมั น, นกันแพงคือว่าพอลงรถแล้วมันก็หาที่ห่มจีบอดไม่ได้ พระเราก็มีปัญหาเพราะว่าพอเข้าวัดเนี่ยต้องเปลี่ยนจีวรต้องเปลี่ยนห่มจีวรเป็นเสบียงบาเพื่อแสดงความเคารพต่อวัดแต่บางทีในจังหวะอย่างนั้นในปัญหาที่ยืนห่มไม่ได้ซึ่งมันท่ายืนแล้วมันก็ไปเจ็บไปเจ้อใหญ่ก็ต้องอาจจะต้องขบจีวรคลุมก็เดินหลบเข้าไาข้างในเพื่อหาที่เปลี่ยนจีวรมันก็มองเห็นเป็นความสวยงามเป็ความเรียบร้อยนั้นก็หมายความว่า ท่านก็มั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่ฐานะของท่านตรงนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นทิฏฐิเสมอไปนะคือความเพียรอย่าไปแปลว่าทิฏฐิเสมอไปมาขึ้นอยู่ขึ้นกับว่าอยู่ตรงไห น, นอย่างในคารวัตธรรมเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพ ร, ระเจ้าอยู่ออกมาเป็นพระบรมราช ว, วัตรสีประการน่รเราเห็นว่าในการต่อมาเราก็เรียกขันติไปเลย เพื่อไม่ให้ไปสับสนบางทีก็เรียกว่าทีติขันติหรือทีติขาขันติอธิวาสนขันติอะไรก็ไอะไรซึ่งเราจะเจอในตอนที่ว่าหรือขันติบรมีความเพียรกประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอาศิทิละปริกรมตาเป็นการใช้ความเพียรบากบันไม่ท้อถอยในการเจริญวิเวก วิเวกเนี่ยแปลว่าความสงัดเงียบเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคาสอนในทางพระพุทธศาสนาคือทําทําวินัยหรือคําสอนอันใดที่เป็นไปเพื่อความสงัดนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัย น, นั่นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการการสงัดหรือวิเวกหรือสงบเน่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนา ทีนี้วิเวกมันก็มีอยู่สามระดับระดับแรกในกายวิเวกก็แบ่งออกเป็นสองระดับนะระดับหนึ่งก็คือว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่สงับเงียบจากเสียงรบกวนอยู่ตามถ้าตามป่าตามเขาเมื่อก่อนก็คุยกับท่านชยสาโรตุสิตหลวงพ่อชาตอนนี้ก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าวัดป่านานาชาติที่อยน่ะ ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำหน่อยนะเข้าไปอยู่ในถ้าแล้วก็มืดอย่างนั้นเจริญกรรมฐานอยู่ในถ้ามืดก็เป็นเดือนๆดือนะไปอยู่กันเป็นเดือนเดือนันั้นก็คือวิเวกทางกายถ้าเราไม่ทำจิตให้สงบมันก็อาจจะเกิดหวาดกลัวขึ้นมาเพราะในสถานที่นั้นมันก็วิเวกสองระดับคือเวกสถานที่สงัดในด้านสถานที่เราอยู่อาศัย แล้วก็วิเวกในด้านศีลคือสงัดจากบาปจากอากุศลหมายความว่าสันตะกายโยกายสงบสันตะวัวโจวจีสงบก็สงบได้มากอ่ะเพราะเราไม่พูดกับใครแล้วกายก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรคือว่าอาการเคลื่อนไหวาทางกายเนี่ยมันทําไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรเยิ่งเราอยู่ในถ้ำคนเดียวอย่างนั้นเนี่ย นุ่งสบงสวมังสะผมจีวรหรือไม่หมจีวรก็ได้เหมือนก็อยู่ในหอ้องเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าจะทำให้เกิดสงบได้ง่ายข็้นแล้วก็ประการที่สองคือจิตตัวเวกได้แก่การจเจริญสมาธิทำจิตใจให้สงบอยู่ในบทสมาธิจะใช้อารมณ์อะไรก็ว่ากันไปตัวเนื้อหาสาระจริงๆคืออุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลส ทีนี้พอมาถึงสงัดจากกิเลสเนี่ยให้ลองสังเกตว่าบางระดับเนี่ยนะบางระดับเนี่ยเราสามารถที่จะงดเว้นไปเลยเลิกไปเลยนะเช่นสมมุติว่าคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไปเลยอันนี้มันก็พอเห็นบุหรี่จิตมันก็สงัดจากความอยากที่จะสูบได้ก็เป็นความสงัดระดับหนึ่งแต่ว่าโดยสมบูรณ์จริงๆนะะหมายถึงว่าเป็นความสงัดระดับโมโนตั้งแต่วิปัสนาขึ้นไป จนเป็นอะไรมรรกิเลสผลแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆภาคนาจริงๆ ม, มันก็ต้องทดลองชิมทดลองชิมวิเวกระดับที่ว่ามันส ง, งบกิเลสสช่บ้างเรื่องเแาเนี้ยหรือโกรธมาเยอะแล้วเลิกโกรธใช่บ้างโลภมาเยอะแล้วก็เลิกโลภใช่บ้างหรือบางครัง้งบางคราวเนี่ยมันมันจะต้องคิดอะไรเหมือนกันอย่าง อย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีท่านเสียเวลาไปเยอะเลยไ่ไปสวดไปสวดไปฉันไปตัดปริบบินไปเป็นประธานอะไรแต่ไรงานเกียวกัสังคมเราเนี่ยเสียเวลาไปเยอะแล้วอย่างพระสวดมนต์ชันเพลเนี่ยนะฮะประมาณสี่ชั่วโมงนะหมดไปเพื่อฉันข้าวเป็นอินเดียนัเ่นเดงนั้นคือแสดงให้เห็นว่า มันไม่ค่อยคุมกับการใช้เวลาของชีวิตทีนี้ถ้ า, ากว่าเรามีงานอะไรเพื่อระศาสนาที่มีความสําคัญกว่าเนี่ยคือบางคนจะสลละจงนั้นคือไม่ใครไม่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอะไรกับเขาหรอกเลยจะมาทํางานอีกด้านหนึ่งซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์มากก่าพราอายุเรามากเนี่ยเราต้องคิดในเรื่องเหล่านี้ให้มาก ทำไมความไม่เรื่องร้สาระต่างๆนี้เราเลิกใช่ไหมมันก็เหมาะสมสมหรับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาไปทำงานในด้านนั้นเราก็ทำงานในด้านอื่นดีกว่าที่มันจะเป็นน้ำเป็นเนื้อขึ้นมาเนี่ยนี่ก็หมายความว่ามันก็ต้องสงับจากกิเลสพอสมควรอย่าไม่คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปเป็นการสะสมกิเลสขึ้นมาภายในใจ เพราะแนววิแวกนี่เป็นแนวจางคลายลดละแนวความเพียรที่จริงทั้งหมดนะเนี่ยเราจะเห็นว่าความเพียรในใคล้ายๆจะมุ่งขจัดแต่ความเกียรคร้านอย่างเดียวแต่ที่จริงไม่ใช่โครงสร้างของกุศลธรรมทั้งปวงนั้นข จ, จัดกิเลสได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่ากิเลสประเภทไหนเป็นหลักกิเลสประเภทไหนเป็นรองเท่านั้นเองอย่างความเพียรที่ใช้มาในตรงนี้เราจะเห็นว่าข จ, จัดกิเลสหมดทั้งรลกทั้งหมดทั้งหลงอย่างพวกอุยามโมเนี่ย มันก็เน้นไปที่การป้องการโลกโกรธหลงขจัดโลกโกรธหลงเสริมสร้างศีลสมาธิปัญญามีสติระลึกรู้อยู่ที่นามรูปเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเพิ่มปริมาณธรรมะเราอื่นขึ้นอีกเป็นอันมากแล้วก็มุ่งไปสู่การสงบระงับงแห่งกิเลสอย่างแท้จริงด้วยทั้งฟังแต่ไหน แต่รมวพระพทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี